ว่าด้วยที่ 1 ว่าด้วยการบวชให้ ท่านทั้งหลายจึงถวายภิกษาหารแก่แม่แล้วตำหนิประณามโพนธนาว่าไฉนพวกภิกษุณีจึงบวชให้สตรีมีครรภ์เหล่าภิกษุณีแล้วภิกษุณี พวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปพุทธเจ้าค่ะ ฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงโบสให้สตรีมีคันท์เล่าภิกษุทั้งบท สิกขาบทวิภังคำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้ใดนี้ที่ภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ ภิกษุนี้ตั้งใจว่าจะโบสแล้วแสวงหาหรือชีวรหรือสมุสีมาต้องอาบัติทุกกฎสวดจบยติต้องอาบัติทุกกฎจบกัมมวาจา 2 ครั้ง 2 ตัวจบกัมมวาจาครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปัชฌาย์ สตรีมีคันภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอาบัติทุกกฎ 1 สตรีมีครรภ์ภิกษุณีสําคัญว่าไม่มีครรภ์จึงบวชให้ 1 จบ 7 ขะไป 2 ว่าด้วยการนมเรื่อง สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเคเครื่องสาวถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายบวชให้สตรีมีลูก ภิกษุณี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 มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสร้อย นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก่อใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบาย เราะอิสะมุสีมาต้องอาบัติทุกกฏสวดจบยติต้องอาบัติทุกกฏจบกรรมวาจา 2 สตรีมีลูกยังดื่มนมภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอาบัดทุกกฎสตรีมีลูกยังดื่มนมภิกษุณีสำคัญว่าไม่มีลูกยังดื่มนมบวชให้ไม่ต้องอาบัดสตรีไม่มีลูกยังดื่มนมภิกษุณีสำคัญว่ามีลูกยังดื่มนมบวชให้ต้องอาบัดทุกกฎ อนาปติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 สตรีมีลูกยัง 2 ว่าด้วยการบวช 6 ข้อ 2 ปีเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ6 ข้อตลอด 2 ปีสิกขมานาผู้บวช ไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรรู้สิ่งที่ควรหรือไม่ 6 ข้อตลอด 2 ปีเล่าครั้นแล้ว ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ 6 ข้อตลอด 2 ปีจริงหรือจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระ ฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงบวชให้สิกขมานาผู้ยังไม่ เราอนุญาต 2 ปีแก่ศีขมานาภิกษุทั้งหลายสงฆ์ผืนให้ศีลขาสมมุติอย่างนี้วิธีขอศีลขา ขอศึกษาสมมุติใน 6 ข้อเป็น 2 ปีต่อสมภ์พึง 2 พึงขอ 3 ภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยัตติ 6 ข้อเป็น 2 ปีต่อ ถ้าสงพร้อมสมมุติในธรรม 6 ข้อเป็นเวลา 2 ปีแก่ 2 ปีต่อ แม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการให้สิกขาสมมุติในธรรม 6 ข้อ 1 ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยไม่ล่วงละเมิดตลอด 5 ดิฉันขอสมาทานจากน้ำเมาคือสุราและ ภิกษุณีใดบวชให้สิกขมานาผู้ยังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรม 6 ข้อตลอด 2 ปีต้องอาบัติปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ใด คำว่าตลอด 2 ปีคือสิ้น 2 ปีที่ชื่อว่าแล้วแต่เธอทําขาดคําว่าจบ จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปัชฌาย์ต้องอาบัติ ติกาทุกกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ 2 ภิกษุณีวิคนจริต 3 ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบท 3 จก 7 ขัปปีนิวรรคสิกขาบท 4 ว่าด้วยการบวช ภิกษุณีทั้งหลายบวชให้สิกขมานาผู้ศึกษาศีลในธรรม 6 ข้อตลอด 2 ปีแต่สงฆ์ บรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันว่าไฉนพวก 2 ปีแต่สงฆ์ยังไม่ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีทั้งหลายบวชให้สคามนาผู้ศึกษาสิกขา ภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่ วิธีขอวุฒิฐาน 6 ข้อ 2 ปีแล้วนั้นเพรงเข้าไปหาสงฆ์โคม พึงขอแม่ครั้งที่ 2 พึงขอ นี่เป็นยติแม่เจ้าขอทรงทูลฟังข้าพเจ้าสิกขมานาชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้ได้ศึกษาสิกขาใน 2 ปีแล้วขอวุฒาณสมุติต่อสงฆ์ทรงให้วุฒาณสมุติแก่สิกขมานาชื่อนี้ผู้ได้ 2 ปีแล้วแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยให้ แม่เจ้ารูปนั้นผึ่งนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่แล้วแก่ แล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้ง 6 ข้อ 2 ปีแล้วแต่สงฆ์ยังไม่ได้ ชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีใน 6 ข้อแล้วที่ชื่อว่าแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติคือแต่สงฆ์ยัง ภิกษุณีตั้งใจว่า 2 ตัวจบกรรมวาจาครั้งสุด กรั hive ที่ทำถูกต้องภิกษุณิสำคัญว่าเป็นกร学 liberties ภาพตัว bådeให้ กรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่า 1 ภิกษุณีโบสให้สิกขมานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม 6 ข้อตลอด 2 ปีที่สงสมหมดแล้ว 2 ภิกษุณีวิคนจริต 3 ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขา ค่ะ 5 ว่าด้วย 12 ปีเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระผู้ 12 หญิงที่บวชเป็น ฉะนั้นพวกภิกษุนี่จึงบวชให้หญิงที่ ภิกษุณีบวช 12 ปีจริงหรือภิกษุทั้งหลาย 12 ปีเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะว่าหญิง 12 ปี สัมผัสยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานคำกล่าวร้ายคำที่ฟังแล้วไม่ดี ว่า 12 ปีต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบท ที่ชื่อว่าอายุต่ํากว่า 12 ปีคืออายุไม่ถึง 12 ปีที่ชื่อว่าหญิงที่มีครอบครัวพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงหญิงชายคําว่าโบสคืออุปสมบทให้ภิกษุนี้ตั้งว่าจะโบสแล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาท ยกกรรมวาจาครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาจิตตีย์คณะและอาจารย์ต้องอาบัติ 12 ปีภิกษุณีสำคัญว่ามีอายุ 12 ปีบวชให้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 12 ปีภิกษุณีไม่แน่ใจบวช หญิงอายุครบ 12 ปีภิกษุณีสำคัญว่ามีอายุต่ำกว่า 12 ปีบวชให้ต้องอาบัติทุกกฏหญิงอายุครบ 12 ปีภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอาบัติทุกกฏหญิงมีอายุต่ำกว่า 12 ปีภิกษุณีสำคัญว่าครบบวชให้ไม่ต้องอาบัติอนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 12 ปีภิกษุณีสำคัญว่าอายุครบจึงบวชให้ สงฆ์หญิงมี สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า 12 ปีแต่ 6 ข้อ 2 ปีหญิงที่ ในไหนพวกภิกษุณีจึงบวดให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ 12 ภิกษุนี้บวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ 12 ปียังไม่ได้ศึกษาศีลขาในธรรม 6 ข้อตลอด 2 right? ปีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุ มิได้ทําคนหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยพระรณทรงตําหนิแล้ว 2 ปีแก่หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ วิติขอศีลขา 12 ปีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุนี่ 12 ปีของ จึงขอ 3 ภิกษุนี้ผู้ชราสามารถพึงประกาศ 12 ปีของแม่ 6 ข้อเป็น 2 ปีต่อ นิปันยติแม่เจ้าขอทรงทูลฟัง 12 ปีของ 6 ข้อ 2 ปีต่อ 6 ข้อเป็นเวลา 2 ปีแก่ 12 ปีแม่ เป็นหญิง 12 ปีแม่เจ้ารูปนั้นเป 2 ปีทรงให้แล้ว e 12 ปีทรงเห็นด้วยเพราะ เธอจึงกล่าวอย่างนี้ว่า 1 เธดิฉันขอสมาทานๆแล้วตรัส ก็ภิกษุณี 12 ปียังไม่ 6 ข้อ 2 ปีต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลาย ที่ชื่อ 12 ปีคือเมยุถึงปีที่ชื่อว่าหญิงที่มีครอบครัวพระ 2 ปีคือสิ้น 2 ปีที่ชื่อว่ายังไม่ได้ศึกษาศีลขาคือภิกษุณีสงฆ์ยังไม่ ภิกษุนี้ตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะ คำที่ทำถุกต้องภิกสุนิสำคัญว่าเป็นกำที่ทำถุกต้องบวทให้ตั้งอาบัดป wyglądaจิตตี คำที่ทำถุกต้องภิกสุนิไม่แน่ใจ บวทให้ตั้งอาบ��만 chỉตี คำที่ทำถุกต้องภิกสุนิสำคัญว่า กรรมที่ทําให้ไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องบวชให้ต้องอาบัติที่มีครอบครัวมีอายุครบ 12 ปีผู้ได้ศึกษาสิกขา 2 ปี ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวซึ่งสงฆ์ 12 ปีผู้ศึกษา 6 ข้อ 2 ปีแต่ สิกขมานาทั้งหลายพวกเธอจงมานี่จงรู้สิ่งนี้ประเคนสิ่งนี้ แต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติเหล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไป ผู้ศึกษาสิกขา 6 ข้อตลอด 2 ปีแต่ยังไม่จริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายไฉนพวกภิกษุณีจึงครบ 12 ปีผู้ ฤๅทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อม 12 ปีผู้ได้ 6 ข้อ 2 ปี หญิง 12 ปีตลอด 2 ปีแล้วนั้นหนึ่งกราบท้าภิกษุ พึงขอแม่ครั้งที่ 3 ภิกษุนี้ผู้ชราสามารถพึง 12 ปีได้ 6 ข้อ 2 ปีแล้ว ผู้ได้ศึกษาศีล in 2 ปีแล้วนี่เป็นยัตติแม่เจ้าขอ 12 ปี 2 ปีแล้วขอวุฒิฐานะสมมุติต่อสงฆ์ทรงให้วุฒิฐานะสมมุติ 12 ปี แม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการให้วุฒาฐานะสมมุติแก่ พระผู้มีๆแล้วตรัสโทษแห่งความเป็นผู้ 12 ปีผู้ คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใด 12 ปีคือ 12 ปีแล้วที่ คำ 2 ปี 2 ปีที่ชื่อว่าผู้ศึกษา 6 ข้อแล้วที่ชื่อว่ายังไม่ได้สมมติคือสงฆ์ยังอาจารย์บาทหรือชีวร จบ 2 ครั้งต้องอาบัติ 2 ตัวจบกัมมวาจาครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาจิตตีย์คณะ กรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องโบสให้ คือ 1 ภิกษุณีบวช 12 ปีผู้ 2 ปีและ 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีต้น 7 จบ 7 คภินีวัคศีล 8 ว่า 2 ปี สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจดวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีโถลนันธาบวชให้สหชีวินีแล้วไม่อนุเคราะห์ทั้งไม่ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ตลอด ฉะนั้นแม่เจ้าถุงรณันธาบวชให้สหชีวินีแล้วตลอด ah 2 ปีแล้วครั้นแล้วภิกษุนิเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลาย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 คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่ คำว่าไม่ให้อนุเคราะห์คือไม่สั่งภิกษุณีอื่นพอท่อธุระว่าจะ สิกขาบท 8 จบ 7 พระภิกษุณีวรรคสิกขาบท 2 ปีเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระ 2 ปีพวก บรรดาภิกษุนิภูมักน้อยพาว่าไฉนพวกภิกษุ 2 ปีเล่าครั้นแล้วภิกษุนิเหล่าให้ทราบพวกภิกษุได้ พวกภิกษุนี้ไม่ติดตามภวตินีผู้บวชให้ตลอด 2 ปีจริงหรือภิกษุทั้ง 2 ปีเล่าภิกษุ พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดไม่ติดตามใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระ ที่เรียกว่าปวัตตินีพระผู้มีพระภาคที่เป็นอุปัชฌาย์ สิภิกษุณีวิคนจริต 5 ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 9 จบ 7 คัปปีนิวรรคสิกขาบท 10 ว่าด้วยการไม่พาสหชีวินี ทั้งไม่ให้ผู้อื่นพาหลีกไปนั้นบรรดาภิกษุทั้งไม่ให้ผู้อื่นพาหลีกไปเล่าสามีจึง พระภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะนั้นภิกษุเนถุงลนันธาบวชให้สหชีวินีแล้วไม่พาหลีกไปทั้งไม่ให้ผู้อื่นพาหลีกไปจนสามีจับได้แล้วภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อม แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายแล 5 6 โยชน์ต้องอาบัติปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณีทุลลนันธา คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าภิกษุณีเพราะเป็นภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าสหาชีวินี ยังจําไม่ให้พาหลีกไปแม้เส้นระยะ 1 ภิกษุณี 2 ภิกษุณีแสวง 3 ภิกษุณีผู้มี 4 ภิกษุณีวิกลจริต 5 ภิกษุณีต้น 10 จบคัปปีนีวรรคที่ 7 จบ